พระราชพิธีสำคัญในการเสด็จถลิงถวันลลยาราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชจักรีวง์ร่วมกันเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะญาตราทางชลมากในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเบื้องปลายวันที่12ธันวาคมศนี้พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีสำคัญยิ่งของคนไทย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 89.5 เมกะเฮิรตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตเพราะเรื่องดีๆมีทั่วทุกมุมโลกรับฟังข่าวเชิงสร้างสรรค์เติมฟันเปิ้นแรงบันดาลใจในรายการเป็นเรื่องเป็นราวผู้ดำเนินรายการวัชรินทร์ันธชาทางวิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิรต สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะในสัปดาห์นี้ยังคุยต่อเนื่องอยู่กับพี่ยิ่งรักนะคะพี่ยิ่งรักพี่ยิ่งรักปฏิพานเทวานะคะประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนจำกัดซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินการให้ความรู้ต่อสู้เพื่อที่จะทำให้สวนป่าเอกชนเนี่ยสามารถทาในเชิงพาณิชย์ได้แบบไม่ไม่ผิดกฎหมาย แต่ถามว่าไม่ผิดกฎหมายในที่นี้ก็คือต้องการที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนหันม า, านำพื้นที่ตัวเองเปล่าๆที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เนี่ยเข้ามาร่วมโครงการเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าให้เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นบํานาญเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่เหนื่อยแต่คุ้มค่านะคะตอนนี้พี่ยิ่งรักณอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่ยิ่งรักคะ สวัสดีค่ะค่ะพี่ยิ่งแล้วคะ่ะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของเอ่อเก T ของ EU ที่เข้ามาสนับสนุนให้การทำสวนป่าภาคเอกชนเนี่ยมีเป้าหมายปลายทางมีตลาดที่ชัดเจนเพราะว่าถ้าบรรลุแล้วเนี่ยเอ่อการลงนามความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐที่เราเองนั้นจะนำผลิตผลที่เป็นอยู่ในสวนป่าทั้งหมดขายให้ EU โดยไม่ผิดกฎหมายแล้วเนี่ย ตอนนี้มันอยู่กระบวนการขั้นตอนไหนบ้างคะสำหรับ G2G ระหว่างรัฐบาลไทยกับ EU คะ่ะค่ะก็ตอนนี้เอ่อก็ผ่านพ้นมาอยู่ระยะสุดท้ายแล้วค่ะระยะสุดท้ายที่เรากำลังทำซึ่งซึ่งเอ่อเราอ่ะจะจะใช้วิธีอ่ต้นไม้ที่ปลูกทุกชนิดที่ประชาชนปลูกในี่ในของเขาเนี่ยนะคะมันจะ สา ม, มารถส่งเข้าไปขายในยุโรปได้ค่ะโดยมีใบรับรองเหมือนเขาเปิดประตูให้ให้เราเข้าได้แล้วอะนะคะค่ะมันก็จะมีรายได้มหาศาลเลยเพราะว่าเอของเราเนี่ยพร้อมทั้งเรื่อสมุนไพรใช่ไหมทั้งเรื่อต้นไม้และผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วนอกจากนั้นอคนที่ปลูกเนี่ยค่ะเขาก็เตรียมการเนี่ยปลูกต้นไม้แล้วก็จะมีการแบบสันทนาการเหมือนเป็นเมืองท่องเที่ยวได้อะ เอเปิดให้คนเข้าไปชมต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ม, มันได้ผลประโยชน์เรื่องการท่องเที่ยวและผลประโยชน์เรื่องทางเอความร่มรื่นค่ะคนก็เด็กก็เปิดให้เข้าไปเรียนรู้เปิดสอนนะสอนการเทอะ้าเนี่ยหาง่ายๆเลย <c oughs> ให้เด็กเขารู้จักอนะ่า <c oughs> แล้วก็เราคุ้นงไปทางอย่างที่เล่าตั้งแต่แรกเลยค่ะตามโรงบานต่างๆเนี่ยค่ะค่ะเด็กเกิดมา่ย ต้นไม้เป็นของขวัญอ่าให้ต้นไม้เป็นของขวัญเลยพ่อแม่ปลูกแล้วก็พอเด็กเขาโตเขาประเดี๋อันนี้ต้นไม้เป็นของเขาใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อ่าและนอกนอกจากตรงนี้อะเราก็พยายามจับมือกับเอ่อทางสภาหอ ก, การค้าทุกจังหวัดเลยเพราะสภาหอการค้านี่จะมีที่พวกเอ่อสมาชิกเขาจะมีที่ที่ทิ้งวางวางฝ่าอะอยะพู่ก็ว่าคู่ก็ดกับนักธุรกิจนะนะ เขาจะโดนเก็บภาษีเขาเข้าันมาปลูกต้นไม้กันเยอะเลยค่ะติตั้งเข้าไมาายยอ่งที่บอกว่าห้าปีเราจะทำให้ไม่ต่ำกว่าสามพันล้านต้นให้เกิดขึ้นในในในประเทศไทยให้ได้อย่างี้ค่ะค่ะอันนี้ถามด้วยนั้นเ่ยเราเราเราก็พยายามเข้าไปให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมเยาวชนทั้งหลายแหละเนี่ยค่ะเช่นเราไปเชื่อมโยงกับธนาคารต้นไม้บ้าง เอายาวชนสมาร์ตเอฟาร์เมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้พี่ยิ่งรักความรู้ค่ ะ, คะถามนิดนึงคือตอนเนี้ยเราส่งเสริมให้ให้ปลูกในเชิงพาณิชย์สิบปียี่สิบปีเพื่อที่จะตัดออกตอนเนี้ยเราเราได้มองถึงไหมคะว่าถ้าในอนาคตว่าสิบปียีสิบปีแล้วเกิดเราปลูกพร้อมกันแล้วตัดพร้อมกันเนี่ยเรามีเงื่อนไข ย, ยังไงไหมคะว่าเอ่อปลูกไปแล้วสิบปีจะต้องค่อยๆตัดทีละแบบคือผัดเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยมันสลับกันนะคะ ไม่ได้แบบปลูกครั้ ง, งเดียวพลืบแล้วก็ตัดครั้งเดียวพลึบอย่างเงี้ยค่ะไม่ที่เรารนเนอลงให้ปลูกพลืบเนี่มาประเด็นร้อนแต่จริงๆนะใจจริงนะมันอยากให้ตัดเลยเราถึงว่าถ้าคุณปลูกไปเลยแล้วถ้าเผื่อมีความจําเป็นที่จะต้องเออ่ใช้เงินจำเป็นน ะ, ะจะจํานําได้คุณไม่ต้องตัดขายอืนะคะ่คะเห็นมค่ะไม่ต้องตัดขายค่ะจานําได้นอกจากนอกจากนะตอนเนี้ยมันสมควรที่จะ ขายได้บ้างเพราะว่ากันใจก็เป็นบางส่วนครับหมดเพราะว่าเราต้องการปลูกเพื่อช่วยโลกร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องการความลุ่มลื่นส่วนเงินเราก็ใช้วิธีอย่างที่ที่บอกอะจำนําค่ะจำนําเราจำนำแต่ไม่ต้องเอาขอไปไว้ในโรงจำนําถูกไหมคะจำนำอยู่ที่บ้านเราต้นไม้อย่างมีชีวิต่ะมันก็โตไปเรื่อยๆอะค่ะค่ะอันเนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่เด็กๆเนี่ยเขาเข้ามาช่วยเราเนี่ย โอ้มันมันมั น, ม, นมันมหาศารนั่นมีมูลค่ามหาศาลมากเลยในการที่เเขาเห็นคุณค่างต้นไม้สอนให้เขาเพาะกล้าสอนให้เขารู้จักแล้วเราก็ น, นําเสนอให้ให้นักวิชาการต่างๆเนี่ยมาวิจัยคือสมุนไพรที่เป็นสามารถยินยาได้ใช่ไหมยินยาเป็นด้วยสําอางเช่นเอาง่ายไอ้ต้นต้นอสํารองอะค่ะต้นสํารองที่หิ่งจันทบุรีเนี่ยนะเขาจะมาได้เนืไม้แล้วมดมันเนี่ยเห็นไหม เขาเรียกต้นทลายจริงนะอหม่อมันดีใรูปร่างสโสดโสะองเลยนี่นหพี่มีพกไว้ไหม พ, พี่พี่มีพกไวใช่ไหมเดี๋ยวถ้านกเจอเดี๋ยวจะขอแบ่งมาบ้าง่งก็มันจะมีฉายในท้องตนาดมากออ okay โอเคอเ ค, ค่ะคอเป็นเม็ดใสๆเห็นไหมคะค่ะเงินสักหกยบาทนั้นอ่ะแล้วเม็ดมันอ่ะแล้วระเคียนนี่ก็ปัญยาอายุวัฒนะไงประเคียนเนี่ยพอ เพราะสักสี่ปีมันจะมีชั้นออกมาค่ะชั้นนี่เราก็มามากินกินได้นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเป็นเป็นเหมือนอาหารเสริมธรรมชาติแล้วนอกจากนั้นจะชายเห็นไหมกระชายนี่เป็นเรียกว่าเป็นพืชหมเนสมุนไพรเป็นสมุนไพรแล้วก็พวกหัวมันพวกไอ้ไอ้ขมิ้นชันขมิ้นชันนี่ก็โอ้โหสั่งประเทศสั่งโบราณเลยใช่ค่ะใช่แล้วพวกนี้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยอะ ที่ต้นไม้มันจะเลื้อนอะไรอยู่แล้วนะฮะต้นต้นมีใบไม้หล่นลงมาทับถมกันน่าเลยมันกเคยเกิดจลินจีใช่ไหมแล้วน้ำมันไม่มีแห้งเลยอ่ะแล้วนกนกเอ้ยจะลอกระบบนิเวศจะกลับมาค่ะคือมันจับงวดเลยน้ําค่าเนี่ยเห็นแล้วว่าคือขี้ใจมากเลยถ้าถ้าสมมุติเราเร่งปลูกกันทุกจังหวัดเนีแล้วประเทศไทยเนี่ยมันสมัยก่อนเนี่เราเราไปแค่ไอ้ปากช่องนี่เนาะหนาวแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เห็นไหมมันโยน ถ้าคือเราปลูกมันเกิดกลับคืนมาระบบนี้จะได้หมดเลยค่ะค่ะเ อ, อพี่ยิ่งรักษณคะในกลุ่มประเทศเอาภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่เป็นสมาชิก ข, ของอาเซียนหมดนะคะมีประเทศ ไ, ไหนไบ้างคะที่ได้ไ ด, ได้ได้ดําเนินการบรรลุข้อตกลงเ อ, อฟเอทีกับยูออีไปแล้วบ้างนะคะอะประเทศแรกนี่ก็คืออิโนโดนีเซียได้ไปแล้วค่ะได้เมื่อสามปีที่แล้วโอก่อนเรามากเลยนะคะ ไม่เพราะประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาเขาภูเขาไฟระเบิดใช่ไม้แผ่นดินไว้เนี่ยเขาก็จะตื่นตัวเรื่องเรื่องกันแล้วก็มีป่าธรรมชาติสีเยอะเยอะค่ะเยอะแล้วก็ถูกทําลายไปเยอะด้วยคุณคุณนั่นแหละนั่นแหละเป็นสาเหตุค่ะแต่ก็รีบมาปลูกไงที่มาปลูกต้นไม้เยอะเยอะนะคะก็เป็นผลพลอยได้ที่ที่เขาได้อานิสงส์อันนี้เขาก็ได้ได้อะไรเช่นไปแล้วแล้วก็เเวียดนามเวียดนามก็ก็จะได้หละจะได้ตีเนี้ยหักตีเนี้ยหักได้และ อ่อินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็มาเลเซียมาเลเซียได้แล้วเหมือนกันเหรอค่ะกําลังจะได้กําลังจะได้ค่ะกำลังจะได้ลาวเหระคะคือลาวก็กําลังกําลังไล่ไล่ที่กันเนี่ยตื่นตื่นตื่นตัวกันเป็นแถวเลยแต่แต่ลาวเขาส่งออกไม้เป็นหลักเหมือนกันนะคะพิ่งลักเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเขารู้แล้วว่าอันตรายประเทศอ่ประเทศเขาเนี่ย ถ้าขายขายมันมันจะได้ไม่คุ้งเสียไงใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างภายเอ่อโครนถล่มหรือว่าน้ำท่วมที่ผ่านมานี่เขาเสียหายมหาศาลเลยนะคะัดใเลยัดเลยค่ะก็คือเราก็กำลังอยู่ในกระบวนการนี้เหมือนกันอ่าเนี่ยเราเราทางอียูนี้เข้าตระหนักดีค่ะว่าเออความต้องการใช้ไม้เนี่ยตอนนี้นะคะ อย่าไปใช้ตึกอย่าไปสร้างไปมไม้เทียมเมี้ยมาเป็นาการทําลายภูเขาเป็นลูกๆเลยนะอือ่ะเราเห็นเราเห็นที่ฉลากบุรีเห็นไหมฮ ะ, ะ, ะเอาเอาทลายภูเขาเป็นลูกๆมาทำปูนซีเมนทําไม้เทียมซึ่งมันผิดเนี่ยค่ะที่เราปูกต้นไม้แล้วเราถึงใช้ไม้เนี่ยเราก็ปลูกเหมือนเงินได้ถูกไหมค ะ, คะต้นไม้ตัดไปแล้วมันก็ยังงอกได้อะน ะ, ะแต่ภูเขาเนี่ยตัดหรือทลายไปแล้วมันจะสร้างยังไงได้อะ่ะมันก็ไม่ได้แล้วอ่ะนะะ อ่าก็เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ไม้เนี่ยช่วยกันใช้ไม้เนี่ยก็คือการลดช่วยลดช่วยป้องป่านะ่็ะเพรา ะ, ะมันปลูกหมูนเรียนได้ไดนะคะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไปใช้กับเบื้องหรือซีเมนเนี่ยมันเข้ากับเป็นการทำลายทรัพยาย ก, กรธรรมชาติทําให้โลกร้อนอันเนี้ยต้องต้องทำความเข้าใจ ด, ด้วยบางทีพี่ไปพูดว่าเออมาช่วยกันอใช้ไม้นะใช้ไม้สร้างบ้านใช้ไม้เนี่ยเพราะว่าไม้เนี่ย มันถึงตัดไปแล้วไปทําเก้าอี้นี้ออะไรในขณะที่มันตายแล้วนะมันก็ยังดูดค า, าร์บอนไดออกไซด์ในตัวมันได้นะค่ะว่าเราอยู่บ้านไม้มันจะเย็นเนย็นถึงมคะคะแต่เราอยู่บ้านปูเนี่ยร้อนตายถ้าไม่เปิดแอร์เนี่ยมันเห็นนี่ชัดเลยในกระบวนการ<ฤ>พี่พี่ยิง่งร่ะคะในกระบวนการที่เราเองเนี่ยกําลังอยู่ในระหว่างการที่จะบรรลุข้อตกลงกับทางยูในเรื่องนี้นะคะเรากําลังดําเนินการในเรื่องอะไรอยู่บ้างคะพี่พอจะจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่ามันยังอยู่กระบวนการไหนอย่างไรเพื่อ เพื่อการพิจารณาพิ่พี่ พ, พ, พีพี่กำลังทำทรัพยากรเนี่ยคือการเรารับรองตัวเองค่ะร <c oughs> ับรองตัวเองก็คือเออ่ไม้เนี่ยเวลามันจะส่งหรืออยู่ในท้องตลาดที่เขาต้องการเนี่ยก็คือไม่ให้เอาไม้ธรรมชาติมาโปรยบน <c oughs> เรียกว่าไม้เถือนเนี่ยค่ะ <c oughs> เขาต้องการใช้ไม้ที่ปลูกนอกเขตป่าเป็นป่าปลูกอะค่ะแล้วปลูกหมุนเวียนได้ค่ะทีนี้เราเราก็ทำยังไงถึงถึงจะรู้อ่ะ เราก็ต้องมีการใช้สหัพยากรเนี่ยหารับรองตัวเองเช่นสมมุติว่าน้องเนี่ยมีที่สักค่าติดไร่ใช่ไหมคะเราก็มีโฉนดเนี่ยใช่ไหมเราก็มีโฉนดโฉนดเดี๋ยวนี้พอกดเอ๊มืถือก็รู้แหละมันเบอร์เลขอะไรเบอร์อะไรใช่ไหมคะเป็นของใครใช่ไหยคะแล้วเราปลูกต้นไม้เนี่ยปีูกต้นเราก็ลงลงทะเบียนไว้อะค่ะค่ะเนี่ยก็คือลงทะเบียนเจ้าของโฉนดลงทะเบียนขนาดพื้นที่ค่ะ ใช่แต่ของต้นไม้เนี่ยก็เ ป, เป็นเป็นเป็นข้อฐานข้อมูลไว้ไงค่ะพื้นที่เป้าหมายตอนนี้ค่ะเราโฟกัสตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะทั่วประเทศเลยค่ะตอนนี้ยทั่วประเทศนั่นคือหมายถึงว่าพี่มีแผนไหมคะว่าช่วงเดือนนี้ไปที่ที่ภาคนี้ช่วงเดือนนี้ไปที่ภาคไหนยังไงค่ะตอนนี้เราลงพื้นที่ไปแล้วกี่กี่พื้นที่คะที่ลงทั่วประเทศอยู่แล้วตอนนี้ยตอนเนี้กาลังทําอ่าทําแผน ที่เราได้ได้ทุนเรื่องของเขาเรียกว่าเจฟ7เนี่ยค่ะค่ะที่เขามีทุนมาเพื่อให้เอประเทศเราเนี่ยพูดปลูกต้นไม้่ใช้คําว่าอย่างนี้เลยนะเพราะของเราความต้นไม้มันโตเร็วไงคะเขาก็เอากองทุนเนี่ยค่ะมาสนับสนุนเราทำเป็นชื่อกองทุนอะไรคะพี่พี่พี่ยิ่งล่ะคะเจฟค่ะเจฟ7เจฟเจฟ7ค่ะเจฟ7กองเอาเรียกว่ากองทุนโลกร้อนเใี่แล้วกันง่ายค่ะมีหลายกองทุนเลยค่ะพี่ โอยเอามาใส่ที่ที่ประเทศไทยนี่เราก็เอาไอ้ฟ อ, องเนี้ยที่เราต้องไปชี้เป้าให้เขาก็คือเราใช้คําว่าจากป่าตะวันออกมุ่งสู่ลุ่มน้ําสงขลามลุ่มน้ำสงขลามตะวัน อ, ออกอนะคะจังหวัดนครธนมุรีใช่ไหมคะคือเนี้จากจากป่าตะวันออกเนี่ยมันก็ถ้าเชิงซาวอะไรก็พุ่งเ ป, เ, ป เ, เ, ป เ, เป็นเป็นธรรมเราทําเป็นเส้นไปอ่างเป็นคลอรีดอนนะคะตรงเนี้มันก็จะมีปัญหาช้ามาเหยียบคนมัางอะไรบ้างอ่ะพกๆ คนเหนุ่มีก็เป็นลูกป่าเขาอะ่ไหมนี่เราเราอี่เช่นเนี้ยมันจากจากเฉชิงเราผ่านจันชนบุรีฉันช่บุรีไปถึงจระแก้วตรงนั้นจันทบุรีก็ไปชนกับคอมบดีเขมรถูกหมคะมันก็กลายเป็นป่าสองประเทศแล้วเป็นเส้นขนานซึ่งช้ามันก็สามารถมีพื้นที่กว้างขึ้นน่ะพื้นที่แล้วก็ปลูกไม้เหมนเป็นแนวปะทะอย่างนี้ไหมคะใช่ใช่แล้วก็หักขึ้นมา จากสะวันตะวันออกปุ๊บขึ้นขึ้นทางเหนือไปเป็นตวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมไปลุ่มน้ําสงคลามเลยตรงเนี้ยเราก็ใช้เช่นเช่นเล็กๆเดยแล้วขยายขยายออกอ่ะค่ะขยายออกไปเรื่อยๆค่ะเวลา ล, ลงพื้นที่เนี่ยคะ่ะพี่อิงนะคะพอเราลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยเราเข้าไปทํางานมวลชนยังไงบ้างคะอ่าส่วนมากเราก็ต้องมีกำนันผู้ใหญ่บ้านีาเป็นกำนันเป็นเป็นของเราแล้วก็เยาวชนผุกเด็กๆทั้งหลายแลนเนี่ยค่ะอ่า เขาพวกเนี้เขาทําอยู่แล้วขอให้เราไปสนับสนุนนิดหน่อยแค่นั้นแหล ะ, ะเขาจะจะจ ะ, จะมีภูมิปัญญามเขาอยู่กันประมาณยีสิบชั่วโมงถูกไหมคะค่ะเรื่องต้นไม้อะไรเนี่ยเขาก็จะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะมีที่สอยดาวเนี่ยกำนันท่านหนึ่งอยู่หมู่สองเนี่ยที่กำนันาจะาเมียนน ะ, ะเขาพาพักพวกนะคะหาลูกบ้านนะคะปลูกต้นไม้ปลูกไผ่ปลูกไผ่เลยไผ่นี่มันโตเร็วแล้วปลูกได้สักปีนึงมันก็มีหน่อมาก็ ก็ขายได้กินได้ถึงไม้แล้วไผ่มันมันก็ขยายขยายไปเขาเขาปลูกไผ่กันนะ่ะแล้วก็มาทําเป็นอ่ฝายมีชีวิตนะค่ะค่ะแล้วก็ทําเป็นถนนเนี่ยโดยไม่ต้องใช้ปูนซีเมนเลยนะใช้ไม้ไผ่เนี่ย <S <S 2> <S 2> คะ่ะอแล้วทําเป็นถนนทําเป็นฝายทําเป็นอะไรเนี่ยคะ่ะค่ะเสียงมากเลยเรา <S <S 2> <S 2> เราก็ไปสนับสนุนเขาแล้วก็เ อ, อความรู้ก็แลกเปลี่ยนกันนะ่ะความรู้ภูมิจาปัญญาชาวบ้านจากความรู้ ไอ้ด้านวิชาการบ้างมันก็ต้องแลกเปลี่ยนกันนะนะเนี่ยเราได้สายซึ่งซึ่งตอนก่อนเนี่ยสอยดาวเนี่ยหน้าแรง่ะมันโดนตัดไม้ทำลายป่ามันเยอะมันจะแย่เนาะโอ้โหเนี่น้ำกลับคืนมาและอะไรหลายๆอย่างแล้วถัดป่าก็คือเราก็ต้องมีวิธีการปูกคือเราเราเข้าไปสนับสนุนพี่ยิ่งรักเราเข้าไปสนับสนุนในแง่ของข้อมูลทางวิชาการรวมถึงงบประมาณด้วยไหมคะ ใช่เงาะประมาณที่เจฟจะให้เนี่ยก็คือเขาจะให้ให้ให้ชุมชนตรงนั้นนี่ยนะคะทําแผนขึ้นมาแล้วจะใช้อะไรเท่าไหร่เขาก็จะสนับสนุนงานแล้วก็ทางานร่วมกันอืมค่ะก็คือเ อ, อ <c oughs> พื้นที่เป้าหมายทั้งหมดเนี่ยค่ะเรามองไว้ไหมคะว่ากี่ชุมชนกี่หมู่บ้านสําหรับโครงการเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะกำลังกําลังอีกอย่างที่ ท, ที่จริงๆแล้วกําลังทําทํางานเรื่องนี้อยู่กําลังสำรวจว่ามันมันผ่าน ตำบลอะไรบ้างที่เราลากเส้นนะฮะตำบลอะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างแล้วมันผ่านเออเรียกว่าองค์กรอะไรบ้างบางทีมันจะผ่านที่สปกก็มีผ่านที่ที่ของมหาชัยก็มีผ่านที่ที่เป็นของเอกชนก็มีเงี้ยเรากาเอามาบูรณาการกันหมดเลยเพื่อให้มันใหมน้มันเหมือนมนเป็นเส่นเส่นเส้นขุมซักไปก่อนแล้วเราก็ขยายเส้นนี้ให้ออกใหญ่หญ <compon> ๆออกมาอีกทีนึ่งนะคะ โดยการทํําทาร่วมกันเลยค่ะค่ะตรงส่วนที่ไปคาบเกี่ยวกับหมู่บ้านตนําบลเอกชนอันนี้คือเข้าใจได้เพราะเราอะทำงานในส่วนของส่วนป่าภาคเอกชนอยู่ละแต่ในส่วนที่เป็นสรปรกเป็นมหาไทยอย่างเงี้ยค่ะเราเรามีการบูรณาการการทํางานร่วมกันยังไงบ้างคะก็แถึงคือเราก็จับมือกันเลยโดยที่เขามีที่ใช่ไหมมันที่ของมหาไทยใช่ไหมค่ะแล้ว แต่ว่ามันก็จะมีคนออยู่อยู่แล้วอะค่ะเป็นชาว บ, บ้านดั้งเดิมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเสจบไปไปสอนเขาแล้วดูเขาว่าในท้องถิ่นเขาเนี่ยทําอะไรดั้งเดิมอยู่แล้วแล้ ว, ล ว, ลวมีต้นไม้บ้างไหมหรือเขาปลูกข้าวซึ่งไม่ค่อยได้ผลแห้งแง้งใช่ไหมฮะเราก็ไ ป, ไปสนับสนุนเขาสนับสนุนเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเขาครึ่งครึ่นะคะคือข้าวก็ยังปลูกลดกันไปหน่อยได้ไหมแล้วเอาต้นไม้เสริมก็ไปเพื่อเขาจะได้มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะเอตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเกิดเราไปลากเส้นตั้งแต่ผืนป่าตอนออกไปจนถึงลุ่มน้ําสงครามเนี่ยค่ะเราจะมีอ่าพื้นที่เป้าหมายเนี่ยเป็นตุ๊กตากลมๆแล้วก็ระยะเวลาในการดําเนินการที่จะเข้าไปหลังจากเนี้ค่ะระยะเวลาอีกกี่ปียังไงบ้างคะที่จะให้บรรณตรงนี้นบรร ล, ล้ว่ะก็กําลังกําลังจะจะไปที่เป้าแล้วก็สํารวจเ อ, อประมาณอาทิตย์ เ, เดือนหน้าเนี่ยประมาณไปล พึพ่งจะหยิบยาเนี่ยค่ ะ, คะจะจะเริ่มและตอนนี้ก็ก็ลากเส้นในแผนที่กันไว้ก่อนนะค ะ, คะที่เป้าที่เป้ากัน้ก่อนเดี๋ยวจะลงลงลึกเลยลงไปเลยเอาเอาตรง น, นี้ก่อนเลยเร า, เ, าเรามีโครงการเนี่ยอยากจะทำให้มันรอบเลยเป็นเช่อรอบเราทำ นี่มีแผนการที่ที่กันไว้นะจะเอาเริ่มกันแต่ป่าตะวันออกสู่รุ่มน้ําสงครามใช่ไหมคะและ้วตรงป่าตะวันออกเนี่ยตรงฉาเจิงเาาอะไรเนี้ยมันจะมีอ่าวตะ ก, กอด้วยใช่ไมคะค่ะมันก็จะมาทางแม่กองมาทางตะวันตกมาลาดบุรีได้เลยอะค่ะอือมแล้วก็จากลาดบุีตะวันตกมันก็ขึ้นทางเหนือไปได้ไปชนกันได้เลยอะค่ะหน่อยป่าเนี่ยมันจะเรียกว่าไป ได้ทั้งประเทศเลยอะค่ะค่ะค่ะแล้วนี้คือทำใช้ระบบใช้ระบบทรัพยากรไงคะกาไปช่วยเขาเพราะว่าการซื้อขายอะไรเราพยายามที่จะตัดตัดทุนใหญ่อะไม่ผ่านคนกลางโดยที่ว่าเราเราทำอะไรเนี่ยเราเดินตามในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยที่ว่าปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างถูกไหมคะใช้ชีวิตอยู่ได้ในระบบสหัพยากรนี่เป็นเป็นเป็นระบบที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำเขา ทุกคนมีส่วนปเป็นเจ้าของหมดเลยค่ะน้าตัดคนกลางร่วมซื้อร่วมขายค่ะแต่งปันนี่ค่ะแล้วก็ใช้ศาสตร์ของพระราชาเดินตามนี้หมดเลยนะคะนั่นหมายความว่าในพื้นที่เป้าหมายในส่วนของเราได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงินที่มาจากเจฟเจฟใช่ไหมคะเจฟเจ็ดเนี่ยเป็นกองทุนโลกร้อนนะคะนะพื้นที่เป้าหมายแรกเนี่ยก็คือพื้นที่ภาคผื้นป่าตะวันออกไปจนถึงลุ่มน้ําสงคราม ใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีเป้าที่จะต่อเนื่องไปทั่วประเทศด้วยถูกต้องไหมคะ ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ยิ่งรักคะเดี๋ยววันนี้หมดเวลาเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อว่าเป้าหมายที่สุดแล้วเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดทั่วประเทศไทยคิดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่อย่างไรนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่ยิ่งรักมากนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่คุยกันต่อเนื่องนะคะยังมีเรื่องน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเกิดเราผนึกให้เกิดภาพรวมของผืนป่าทั่วประเทศแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นเหมือนกับกองทุน จากต่างประเทศที่เขาอยากจะมากระตุ้นให้เราเองนั้นช่วยกันสร้างผืนป่าลดภาวะโรคร้อนกันนิดนึงเป็นเงินเหมือนกับเงินที่เขาเองนั้นอยากจะมาจ้างเราให้ปลูกป่าซึ่งเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยแล้วก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กนะคะก็เลยใช้เวลากับพี่ยิ่งรักเนี่ยหลายหลายสัปดาห์นิดนึงนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อกับพี่ยิ่งรักว่าโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วกับกองทุนลดโคลคร้อนเนี่ยคะ่ะเราจะ ได้ผืนป่าขึ้นมาอีกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสำหรับวันนี้เวลาของเป็นเรื่องเป็นราวหมดลงแล้วดิฉันวัชรินคาาชาลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทุกวันอาทิตย์เวลา18นากนาทีทาง FM 89.5 m ม z